นทั้งหลายเป็นผู้ฟังเราก็มีรัดปฏิบัติเดือนตามพ่อกรตามรูพระพุทธเจ้าเป็นบ่หลงกครูของเราเรา ศรัทธาการตัดสรลู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาต่อธรรมวิดัยวิธีที่ทำให้เกิดการตัดสรลู้ไม่ลึกไม่ลับเป็นสิ่งที่เปิดเผยอย่าโทษโถยมีครูอยู่มีวิธีปฏิบัติอยู่อย่าปะโยอมจน สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเรานี่ไม่มีสิ่งไหนที่เราไม่แพ้เลยถ้าเราศึกษาตามพระพุทธเจ้ามีแต่ชนะล้วก็ทำได้ทุกชีวิตถ้าทำตามที่พระเจ้าสงสงสอนอันก็ไม่มีสตรอาวุธ นกจากกาจากใจไปแล้ ว, ก, ว, ก, วก็อยู่ด้วยกันความผิดความถูกอยู่ด้วยกันความสุขความทุกข์เกิดอยู่ด้วยกันเรามีสติจะรู้จักเลือกจะรู้จักปฏิบัติตัวเอง อาการต่างๆที่เกิดขึ้นทำายกับจิตใจบางทีเป็นธรรมชาติบางทีเป็นกฎธรรมชาติเป็นบางทีเป็นหน้าที่ธรรมชาติเราก็ได้ประโยชน์บางทีเราก็ต้องถ้าเราไม่รู้จักก็เป็นทุกข์เป็นโทษ แถ้าเรารู้แจ้งในธรมธรมชาติกฎธรรมชาติหน้าที่ธรรมชาติมันก็เป็นระเบียบเกีย่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจแค่ไหนเพียงไรทำได้อย่างถูกต้องตามเหมือนกันหมดอันเดียวกันหมดไม่แบบไม่คนแล้วอย่าง วิธีทมวิธีปฏิบัติต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจก็เหมือนกันผิดก็เหมือนกันถูกก็เหมือนกันจบทุกข์ก็เหมือนกันเสมอกันหมดไม่เป็นคนละอย่างจึงทาให้เราได้เกิดศรัทธาขึ้นมาจากการการะทา เป็นพนลังในพนลังจากการกระทามีสติมีสมบั ต, ตชัญญะมีศรัทธามีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญากำลังใหญ่ขับเคลือ่อนชีวิตได้ทุกกรณี วิธีทำก็ไปลึกไปลึกง่ายๆโดยเพพาะวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่ศักดิ์สิทธิ์น่าแต่การกระทำให้มันมีการกระทำนี่มันถือว่าเป็นการเริ่มต้นเป็นการหลีกทางเป็นการแค่เป็นการ ทำไปในคราวเดียวกันคือการกระทําแล้วก็มั่นใจในการกระทําที่ตัวเราทําเกี่ยวกับธรรมต่างๆที่มันเกิดจากปากกับใจธรรมมรชาตธรรม นะดา่าทำที่เป็นกุศลทำที่เป็นอกุศลทำที่ทำกับสิ่งที่เกิดกุศลไม่มีเสียงดิไม่รู้จากอะไรใช้หูตัวเองเลยนะเสียง <laughs> ตลกนะปฏิวัติธรรมในะโลกนี่ มองแบบองอาจในโลกนี้ไม่มีใครมีความสุขเท่าเราดกจิงที่เกิดขึ้นกลายกับใจเราเป็นผู้ชนะสุดยอดในโลกนี้มาอย่างนี้กับตัวเองไม่ยาว่ากับใครเมื่อว่าอย่างนี้ได้ก็สนเสริญทุกอย่างคุณพ่อคุณแม่ครูอาจารย์สิ่งวแวดล้อม ทุกอย่างอำนวยให้เราได้ทําความดีทั้งหมดขอบคุณยอดโยมขอบคุณเข้าสุกนอดแจงขอบคุณอาหารขอบคุณดินฟ้าอากาศขอบคุณศิลขอบคุณสามขอคุณคุณบิดามันดาสนัสนุนให้เราได้ชัยช น, นะขึ้นม า, ายจายขึ้นเราก็ เป็นเครื่องมือที่ทำให้เราเกิด ช, ชนะนักปฏิบัติชีวิตนี่ก็เป็นเครื่องมือกับเคลื่อนเราได้ทำได้อย่างดีโดยเฉพาะกับมฐานรูปแบบกรรมฐานขู่แขนเข้าเหยียดแขนออกเ็นพละเป็นกำลังนอกจากกำลังภายในคือศรัทธาพละ วิริยะพละสติพละสมาธิพละปัญญาพละก็มีพละข้างนอกคู่แข่เท่าเหยื่อเหยือนอกยกมือขึ้นมันได้พละเหมือนบริหารร่างกายจิตใจวิธีนั่งวิธียืนวิธีเดินมีละเบียบออกจากนั่งก็เดินจงกรมเดินจงกรม มันเป็นสอดคล้องกับการนั่งสร้างจังหวะตกันไปก็ไทยเชืใช้ชีวิตถูกต้องตามธรรมก็ได้ผลคือเศรษฐกิจชีวิตของเราใช่ไม่ชิ้นเปลืองเป็นประโยชน์ต่อโลกเพิ่มเศรษฐกิจให้เจอโลกเรามาปฏิบัติธรรมน่ไม่ใช่ไหม มีประโยชน์ต่อโลกอ อ, อยู่กับชีวิของเราการใช้ชีวิตของเราไม่ทำลายเศรษฐกิจของโลกเรามีเวลามาอยู่ที่นี่ยกมือเคลื่อนไหวไปมาแต่บางชีวิตเขาไปอยู่ที่ไหนแต่โลกล้อยตาแปลงเที่ยวตีเล่นหล่นเล่นอยู่ที่ไหนทําชั่วทําบาปทาอยู่ที่ไหนสป็นพิดเป็นภัยต่อตัวเองคนอื่น การอยู่การยืนเป็นพิษเป็นภัยทำให้เศรษฐกิจเสียหายใช้ของพุ่มเผยพุ่มเพือกอย่างประเทศอเมริกาโรคอ้วนวลายพระลุกอ้วนปีละสามแสนคนต้อง้ใช้จ่ายซื้ อ, อยารักษาโรคอ้วนปีละสามพันล้านบาทล้านเหรียญ สามสามพันล้านเหรียญทายารักษาโรคปวนแต่เรื่องกินอย่างเดียวนะออกจากเรื่องกินก็มีเรื่องอีกมากมายอีอย่างเราเป็นนักบวนอย่าไปคล้องแวะกับโรคเกินไปตัดขาดไปเลยเหนื้อเหนือไปเลยมันหลงรู ไปทางนี้พวกเรามันทุกขรู้ไอ้าอนนี้มันอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกาก็เลยรู้ทั้งหมดเลยไปทางนี้อย่าให้หลงเป็นหลงอย่าให้ทุกข์เป็นทุกข์อย่าให้ผิดเป็นผิดมันแก้ได้ทั้งหมดปอทีบัิทงไม่มีไหนที่เป็นเศษเป็นเหลือนี่เรียกว่าเหนือรูกโล ก, กุตละใครแบบนี้ อารโกรธอารมขี่ะอารมณียกย็สุขก็เป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์หลงเป็นหลงโกรธเป็นโกรธเกียดเป็นเกียดโลยขีย่ไปไม่ถึงไหนไม่ไดพัฒนาไม่ไดวัดท่านแล้วไม่ดีขึ้นเกียดข้านทางกิจวิญญาณไม่มีอะไรชนะตัวเองเลยเป็นคนชื่อแพ้ปรลชัยหลงเป็นหลง หลงเป็นหลงโกรธเป็นโกรธนั่นลหละประาชิกตัวร้ายที่สุดเกลียดเป็นเกลียดลกเป็นรลกตัวบุคคลที่พ่ายแพ้ไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสถึงมารถึงแล้วจึงหลงเป็นรูปหนึ่งชนะตัวเองเป็นการชนะอย่างประเสริฐ จ้าชนะตัวเองได้ก็ชนะทุกอย่างในโลกนี้ในทีปฏิบัติก็เหมือนกับว่าคิตของเราในพ้มพ้มในในทางนี่โดยตรงเหมาะใจการใช้ในการปฏิบัติธรรมนี่ว่ามนุษย์ไม่เหมือนสัตว์เดรัจฉาน เาสัตย์เดชฌานมนก็มีรู้จักกินรู้จักนอนรู้จักขับถ่ายรู้จักดีกภัยรู้จักเสพกรมนั่นแหลว่าสัตว์เดชฌานตัดโลกบ่ ม, มีอะไรเกิดขึ้นก็ทําตามหมดเยกว่าลักษณะของสัตว์เดชฉาน นี่เราเป็นมนุษย์เลือกได้ไม่จําเป็นอย่าให้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องเหล่านี้อย่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องทำเป็นเรื่องใหญ่บางทีไม่จําเป็นเรื่องกรามอย่างนี้ไม่จําเป็นตัดขาดไปเลยเพวกเราเป็นพระโหนุ่มไม่ชีสาวอย่าข้องแวะไม่เจริญ ไม่เป็นเรื่องของพระเหล่าเจ้าอย่างพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์ยกสองด่างนี้ขึ้นมาขึ้นเขียงกวมผิดให้คนดำเนินหลงทางคือกรมฐานขอกา ร, การยกอจิมาฐานยก การมาสุขันนิการโยคคือไปเป็นไปตามโลกมันหลงก็หลงสกกุก็ถูกทุกข์ก็ทุกข์ปล่อยเลือปล่อยตัวเป็นไปนเรื่องกรรมับใช้มันสกสกสกสกมนุษย์ผู้หวังไผู้ที่หวังความจะเดินเพื่อเป็นของพระเจ้าไม่จำเป็น ไม่ควรดำเนินชีวิตแบบเดินทำ ต, ตัให้ลำบากตรมานตนโดยวิธีอย่างใดอย่างหนึง่งนั้นก็ไม่ควรทไม่ใช่ของพระเยซูเจ้าของพระเยซูเจ้าไม่มีอะไรลำบากจริงที่เกิดขึ้นกับกายกับใจไม่มีความลำบากรู้จักกินรู้จักนอนรู้จักขับถ่ายรู้จักหลบภัยรู้จักเสพกาม เราไม่รับใช่สิ่งเหล่านี้จีนก็ฉันแบบพระดูแบบพระไปตีล่าแหลงที่สุดคือภัยที่เกิดกับตากับใจเรานี้ตัวอารมภายในตาข้าวชิเป็นภัยอินใหญ่โทเสกขีดงห้อิเห็นภัยเป็นตัวล่อที่สุด โดยละภัอยอคีภัยวาตาภัยอุทกกภัยอะไรทั้กับดโตสักิบุหกิตาคาคิไปในหัวใจเราเนี่ยเราจึงต้องมีชาชนะบังหลังหนุอยโกด ใครเหอนี่ลงง า, าเจ็ดสิบเปอเ็นป็นพระโสดาบันห้าสิบเปเ็นป็นพระนาสกีทาคาเมยี่สิบเปอร์ซ็นเป็นพระอนาคาเมดับสนิทบดเป็นพระทหาร ตื่ภัยในตัวเราเนี่ยเอาวัดกันอย่างนี้โทสคิโมชิลาสกิเย็นลงอย่าร้อนเพราะเรื่องนี้อะไรที่มันเกิดกับกายกับใจอย่าให้เป็นมาถึงตัวนี้ยอมเก็บไข้โดยผ่วยกังวลทาง จ, จิตใจอาลุงพ่อคงไปหาหมอหวันน่ย หม้อหมอช่างพาไปปวดก็กังวลใจกระทบทึงใจหย่าบไปถึงจิตใจรู้จักแย ก, กรูปแย ก, กนา้อโมกนักปฏิบัติจะมีความชำนาญม่ศาสตร์มีศีลในเรื่องนี้มากที่สุดแน่ๆคือต้องเก็บต้องปวดต้องเกลีต้องตายต้องรู้จักแย ก, ก อยากไปถึงจิตใจอยากกระทบถึงจิตใจยแตนก็เราเรื่องกันถ้าเราเห็นแย่งตามความไปจริงเหมือนเจ้ากิ้มเยี่ยมเจียมใส่ด้จักปฏิบัติ ต, ตัวเองทำให้จิตใจ เ, เข้มแข็งตรงนี้ได้ถ้าเราไม่รู้ไม่ฝึกหัดว่าอ่อนเออถูก ความเก็บยิ่งใหญ่ความปวดยิ่งใหญ่เหนือจิตใจทั้งทั้งที่จิตใจมันกับการปวดคนละอย่างกันการปวดนี่ถือว่าเป็นเรารู้จักแล้วตั้งแต่เห็นลูกเห็นนามเห็นอาการที่เกิดขึ้นกับลูกของน้ำเราเรียกมันว่าอาการมันต้องเก็บเป็นเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ไม่ใช่ตัวตน เวทนาสักเวทนาไม่ใช่จัดอุกคนตัวตนโลของเาไม่ต้องสวยสุขไม่ต้องสวยทุกข์ไม่ต้องรับเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะเวทนาแล้วก็ัดอยู่เหนือโลกเป็นโลกกนตนูลดได้ มันมีโลกุตละจริงๆมีโลกิยะจริงจริเราสัมผัสได้จริงๆในชีวิตเรานี่ยแต่ใช้ิดดุนเดาเอ า, เอามันเกิดให้เราเห็นได้สัมผัสอยู่ถ้าเราปฏิบัติมีสติมีกรรมฐานเป็นสิ่งที่เปิด มีกรรมฐานเป็นสิ่งที่ง่ายของใจความกรรมฐานต้นของที่เขือนสิ่งที่ขี้ลี้วอกให้เห็นแต่ความดีมีแต่ความดีให้เห็นก็เห็นสิ่งที่ไม่ดีเห็นสิ่งที่ดีเหมือนกับว่าเหมือนพระเจ้าแสดงว่าได้เขือนสิ่งขี้ลี้วเขือนอกหมดแล้ว เอาเจ้ากูอยู่เฉพาะหน้าพระหน้านี้แล้วเหมือนเป็นอย่างนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมมันจะยุบเมฆเมื่อขดัไหนก็ไม่หลงตามรอยตจนนี้ได้ในเครื่องมือสัมผัสแต่แต่ว่าการสัมผัสนี่ยมันแยกตรงนี้แหละไในตับเวลาเราปฏิบัติธรรมการสัมผัส อาโห่จมูกดิ้นกรใจายเราก็แยกตรงนี้แล้วก็รู้จักทิศจักทางมาที่ได้ถูกทุกทีมามาในข่าวเดียวกันควมปิดเป็นความถูกในข่าวเดียวกันความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ในข่าวเดียวกันมาเป็นคู่ให้เคยเป็นขี้ขึ้นมา น้อก็ยื่นมาให้คำโจทย์ให้คำตอบเหมือนกาสรสารเราบอกบางหตให้มีตอบให้ถูกกรรมฐ า, านถ้ารู้จักจกรรมฐ า, านตอบถูกทุกทุกอย่างที่เกิดเกิดปากับใจเราอย่าไปหลงโลยิยะโลกุตตะละบางทีเราไป แล้วก็มีโลดของโลกนอะอย่างสมัยหนึ่งพระอนุนพระสวัสดพระสวัสเป็นผู้ที่เพื่อนกับลาหุนเพื่อนรุ่นพี่จักหน่อยแต่กาเป็นเพื่อนกันรักกัน พระเจ้ามักจะขนาพระลาหลุนพระสวรสด์นี้ก็ไปเชื่อกอมให้ให้ดหีเชื่อฟังพระลาหุนพูดกับพระสวัส์ว่าเออพระพ่อพระพุทธเจ้าไปเหมือทางโล ก, กุตละลพระพเจ้าไปทางโลกีย ะ, ะป่านี้พระเจ้าองค์น้เป็น จกรพรรนาดเราลาหนุนจะเป็นเช่นไรให้คิดดูพูด ค, คุยกับสวัสดลาหุนฟุ้งซ่านนะสวัสก็มาเล่าเรื่องให้พระเจ้าฟังตอนความคิดฟุ้งซ่านเฉยๆคิดเล่นๆพระเจ้าไ้ทราบความคิดแบบนี้ของลาหนุนก็ตักเตือน อย่าไปเล่นอย่าไปยอ่อโยนเหลานั่นลาหุนออนน้ำมาล้างเท้าให้พระพุทธเจ้าพระุทธเจ้าก็ยังไม่ได้ล้างเห็นหน้ำในกระถางบอกให้หลาหุนสาดน้ำเที่งไปบอกเราหุนหน้ำในถาดเนื้ออะไรไหมไม่เหลืออะไร เได้เมือนกันเราหนุนเธอมัวจะคิดพุ่งเส้นอะไรคนที่ทำของเธอก็หมดไปอเอาถาดมาควมหลงอีกควมถาัที่เฉยน้ำลงอีกบอกเราหุนยังไรขึ้นเหลืออะไรไหมไม่เหลือเลยเช่นเดียวกัน เวลาแล้วหลงเป็นหล ง, ลงสุกขทุกข์เป็นทุกข์คิดมั่วไปไม่มีอะไรเหลือแล้วภูมจัน์ของเธอเศร้าหมองเป็นความเศร้าหมองออแล้วก็สอนลาหุน อ, อ่อนาประมาทยอ่อหยนในทางโลกคิถึงอดีตที่ถึงอนาคตในทางโลกเปรียบเทียบ เราประพฤติพรหมจรรย์โลกรุตละมีอยู่มีมากมีผลทําได้กับมือเรานี่มีกายมีใจพร้อมเพื่อสร้างโลกุตละขึ้นมาได้มันบอกอยู่ฤืธมันบอกโลกุตละมันถูกมันบอกนี่คือโลกุตละนี่คือโกลกิยะ เหมือนกันสมบัติได้ถ้าปล่อยให้สุกยินดีไปกับอารมณ์ต่างๆในความรักความเกลียดชังยินไล่ไปกับอารมณ์ต่างๆนั่นเป็นโลจีย่างวเหนือเหนือชักหน่อยไปทางสูงสักหน่อยมีสติช่วยมีพระมีศรัทธาช่วยก็เหนือๆๆไป โงเป็นรูปไปสุกเป็นรูปไปทุกเป็นรูปไปเจ็บเป็นรูปไปตัวเดียวแยกที่เดียวไปได้ทั้งหมดเรียกว่าปฏิบัติธรรมเวลาเป็นของเราทุกเวลานาทีพวกนี้ทำอะไรไม่ได้ ไม่หวานทำก็ทำมาเลยไม่ได้ทําได้เวลานี้อย่าประมาทการใช้ชีวิตอย่าไปชใช่ผิดทุกเวลาทุกนาทียิ่งดีเก็บตกให้ได้ทีใจสักหน่อยมันจึงก้าวหน้านะเหมือนม่ามีฝีเท่าดีคนทีใจในความมีสติเหมือนหม้ามีฝีเท่าดี คนปล่อยทิ้งไว้บางโอกาสพอยจิตปล่อยใจบางครั้งกับว่าฝีเท่าไม้ดีเดินทางด้วยกันตั้งเวลาด้วยกันชั่วโมงเดียวกันอาจจะไปไกลกว่ากันเหมือนท่องหนังสือเขาเล่นเราเล่ น, าาลนอยู่ในใจเราทำอะไรก็ไม่คุยไม่เล่นกับเขาเราจะสอบแล้วอีก ชั่วโมงสองชั่วโมงเราจะสอบเขาสนับสอบแล้วเราก็ลําดับประชาที่เราจะสอบเราก็นั่งพียงต๊นเสาเพื่อนคุยกันเล่นคุยกันเล่นหัวหลอกหัวโล่ถามกันเล่นกันไปเราก็ทําในใจเราไว้ว่าเสียงดังเราลําดับลาหนัาข้อสอบในใจ เราก็บอก่าทวงเร า, าท่วงเราทำไมจึงนั่งอมยิ้มอยู่ไม่คุยกับเพื่อนแล้วก็ก็รู้เราซ่อมในตัวของเราไมยพยายามไม่หลงไปกับเขาว่าเป็นล้อยหลายล้อยคุยกันเซลเราก็นัง่งลาดับแวกต้องไปตรงนั้นดำํำดับวิชาที่จะซ่อมพยายามพอมจนจำนี้จำนานไม่หลงขนาดที่เหมือนเกิด เพื่อนหลงนก็วัฒนะวัฒน์เจริญก้าวหน้าไม่เกงไม่ขามไม่กลัวไม่สะทุกสะเทือนเวลาเขาเรียกไปสอบไม่ต้องเรียกรู้จักชิวรู้จักหมายเลขยืนขึ้นเดินไปเลยเหมือนกับองอาจที่สุดเลยเออเดินไปเลยบอเดินไปถึง ที่สอก็ให้ให้ว่าสูตรที่จะต้องสอนให้เรียนมาได้ยังไงท้องไปจับจบอพอแล้วพอแล้วบางทีไม่ท่องหมดเลยพอแล้วผ่านได้แล้วแต่บางรูปตับไปแต่ปะส้อมกันอยู่หลายชั่วโมงสามรบสีโรบบางทีก็ต้องช่วยกันบางทีก็ ให้ออกไปก่อนมันกินเวลามากเหลืเกินตาเปตาปะไม่รู้จักโซ้มตัวเองเตรียมตัวเองเอสอบหมดเอาไปเรียกไปสอบไปตั้งตัวใหม่เอาแกฉอีกสามรอบแล้วเขาไปหยีย ก, ก็ไม่ได้เขาไปยีย ก, ก็ไม่ได้ก็ เ, เลยบอกว่ามันจําเป็นจริงๆไม่ได้จริงๆจบไม่ผ่านจริงๆ ้วเสียจใาหลงไงไปก็ไม่เพราะ น, นั้นนี่สิ่งที่เราสิ่งที่เขาอื่นเพื่อนหลงเราไม่หลงเพื่อนผิดเราไม่ผิดนี่มามีผีเท่าดีหน้ามาที่ไม่มีกำลังอย่าประมาทในการใช้ชีวิตอย่าประมาท ในความเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่าประมาทในความเป็นเท่าเป็นแ่เป็นสิทธิเท่าเทียมกันตัวไม่ประมาทเนี่ยความหนุ่มควาสาวความแ่เป็นง่อยเฉยๆไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมคนแ่แข่งกับคนหนุ่มก็ได้ในความรู้สึกตัวคนหนุ่มอาจะสู้คนแ่ไม่ได้ เขเจอผ่านโลกไามากเบื่อโลกไปมากพอจะพร้อที่จะในศึกษากับประฐานอาจจะพ่อขกว่าคนหนุ่มก็ไดเพราะนั้นจึงในชีวิตมันเป็นประโยชน์ตัวก็มีหลายๆยอย่างมันก็เป็นเรื่องที่ตัวหล็ก งานของเราปัจจัยที่เราจะต้องโชได้หลายอยา่างนอกจากปฏิบัติธรรมแล้วมีความพพิอมหลายอยา่างเพื่อศึกษาเพื่อที่จะเหมาะใจการงานต่างๆเช่นการสวดงานสวดนี่ก็ต้องหาดบ้างมันมีส่วนกลางเอาตำรับส่วนกลางเป็นใหญ่ ต่อไปตัรงยุทธก็วัดประรณวณนิเวศป่านมหานิการก็วัดมหาธาตุการสวดบทสวดจังหวะมันมีอยู่สามสามสูตรสูตรลงแก้วสูตรฉังโยกสุตวมกุสูตรมกคตคตำนองมคคตเป็นของตั้งยุทธ ตํานองล่องแก้วตํานองล่องแก้วนี่ก็ปนปนกันตายุทธก็สวดมานิกาก็สวดสวดสุกสองโยกสองโยกสองโยกล่องแก้วมรคู้จังไหม <c oughs> ภาษล่องแก้วเดี๋ยวนี ah ้เขาเขาแบบล่องแก้วมันทันทันเวลาเพราะราชการกำหนดเวลาศาสนาทางสงฆ์ต้องไปตรวจสังโยกมันจินเวลาเรามันเนิ่นช้าโยจักโกโาโมหโมลาปะกัดถุสาบังวะพุทธโสุกัตโตวีมุต โูระตัสบาสาปิณิโมจยานวันชาในสังโยคแบบลองแก้วกโยจะคุมโมหมลปกะธสามังุปุตโสุกตุวิมตุรตลองแก้วไหวสักหน่อยเดีขึ้นเมื่อกี้ขึ้นลองแจ้วแต่ปนไปกับสัโยคหน่อยหนึ่ง อะโมตัปภะกวาตุอรหะตสัมมาสัมปุตตะนะโมตัปภะกวาตุอรหะตสัมมาสัมปุตตะอีแบบลองแก้วอแบบแบบสังโยกนะโมตัปภะกวาตุอรหะตสัมมาสัมปุต อาตานโมตัสภควโตอรหโตสามะสามบุตรอาตามแบบม็อดสัโยแบบมกุฏนโมตัสะภะควโตอรหโตสมาสัมุตรจ่านโตสะภควโตอรหโตสามะสามุา แบบบกตโอ้แบบแบบบกทอุดทังเจ้าหนังครัจฌามิสามังสุลนังครัชฌามิสังขังสุลนังครัจฌามิโยจะคมาโมหมาราภะกัตโตสัมมังวัปโตสุขะโตวิมุตโตอนสปสสนิโมจยันโตมาเปจิกมังชะนั้นตังเวนัยยัง ทั้งวดันั้งเิระาะตาบามินี่แบบมาคดราโมยุขาชอวยแต่นเมื่มนี้กาเขาฉวดในแถบตอนตอนเหนือแถวหมวยแถบแม่น้ำโของ <c oughs> อันนี้ก็นงานฉวดนั่นก ร, รนะลุกรวไเออเอเอวยนะ่ มาดิกอนเยตวอิทัยังสภาพปานังปอคปตบงโดาติุ น, นกงงนา ก, ากนันตังุมังกาลังสุปปาตังสุหุตังุกโนชโมโตจะชุยตังผังจาริชุตกีนังกายกมังที่มันไปแบบไม่มีสังโยนไม่มีควาเพี้ยนไป นะกปะตปโมตติชนกะตัชมางกะตังสุปปะตังชุติตังชุกโนสุโตชุสีติงวามาจาริสุปตะกินังกายกรมมังวามากรมังวัตตะกินังวัตตะกินังมโนกรมมังะเนติติปตะกินังปตะกินันิกาตวานราภันตเตปะตะกิน ยาว่าป no ok ัททะขีนังปททะขีนังโนกรมมังปนิตติเตปททะขีนางปททะขีนัอะไที่ออกทางปททะขีนังขีมีเสลีไม่ไม่โถขึ้นไปปัททะจะไม่ไม่หันได้แท้ไม่เสลาไปเสแล้วปททะยาวเกินไปขิอยาว่าขีติดอย่ว่าขีนังขีนังมีเสลีไม่โทไม่มีอาศะเมรีไม่อา ธนธุรก <icana>, ิจไม่มีไม่โทรเนอะโมก็เหมือนกันแล้วก็ให้ยถายถานีสามชั้นนะเนอะทาวาลิวาหะปราบาลิปุเรนเทสะกลังเอิบะเมวะอิโตเินังเปตานังอุปการปติหนึง เอจตังกะยิตังตมั่งขิปะเมวะจะเมจจัทถูกสเปู้เดินถูกสังกปะสองยอนโทปนราโซยดามณีโชติราสโยดาสามชั้นได้บ้าให้ถูกนะเป็นสถามันนะเนี่ยไอ้บ้าไหมเออกก็สเปีย จะปีต้องให้คนอื่นหลับให้คนอื่นหลับแล้วแต่เขาจะว่าอะไรถ้าแปลก็ถ้าพี่ตวโยบวาันโตถ้าไม่แปลก็น่าไปเลยให้คนอื่นรับให้เป็นคนหลับกดจู่นั่งอยู่ข้างซ้ายมือพระรูปไหนนั่งอยู่ข้างซ้ายรูปนั้นต้องรับหลับพร้อมกัน ต้องนั่งอยู่ข้างขวารูปนั่งอยู่ขางขวาเป็นผู้ยันถารูปนั่งข้างซ้ายเป็นผู้รับเตรียมรับให้ดีจับปีติโยวีวัตจับพีเบื้อหนึ่งคนหนึ่งเสียงต่ำคนหนึ่งเสียงสูงาให้มันให้มันเสมือนกันแต่ว่าแรงกันไปจับปีติโยวีวัตชวนตัวชอบยินเย็นไปชนเนาะอันนี้ ให้มีเราษาบันสักหน่อยใน้การพิธีหลายอย่างหลายอย่างที่เราจะต้องต้องมีแบบมีแผนนอกจากปฏิบัติธรรมเราได้แบบถือว่าในโลกเนี่ยแบบปฏิบัติเนี่ยถือว่า ยเดี้ยวแล้วว่ากำลังว่าการถึงกำลังพูดอยู่ว่าไม่ต้องว่าแบบลวงพ่อเถียนดีไหมแบบการเคลื่อนไหวให้ดูกว่านั่งกันแบบสับปชัญญะบัพพะอาณาปปบบพะคิดตะบัพพะ แบบสบรพพัญญะบัพพากู้แขงเข้าเหยื่อแขนองเราเอแบบไหนก็ได้แบบหลวงพ่อ เ, เ, เทียนเนี่ย ม, มันก็ชินใช่แล้วบางทีมันมันก็เหมือนกับว่าลืมพระพุทธเจ้าไปได้แบบหลวงพ่อเทียนเนี่ยมันมันก็เจียงพระุทธเจ้าไปทำบนมองแบบนั้นไม่ว่าแบบการเคลื่อนไหวด้วยแบบ ชาติปัตตานนี่ก็มีชราบันสติปัตตานีมีสถาบันมีชมรมไม่ชีคุณธรรมด้วยก็ดีเห็นป้า จ, จันทกินเนี่ยน่าจะเขียนป้าจจ <c oughs> ยจันทชมรมไม่ชีคุณธรรมยกย่งไม่ขีเนี่ยยกย่งมากไม่ชีวัตสุกตูเนะนีย่ยโยมก็น้อยยกยง วันนี้ได้พูดแล้วก็ให้หลายๆอย่างซะหน่อยเป็นวันพระวันที่แปดเราจะไปบวชป่าที่ภูกลางเพราะว่านาจการนาเพอแจ้งข้อจะขึ้นมาอาศาัยพระวัดเราทั้งพระทั้งไมขีไปบวชป่าภูกลางหนองข้อด้วยเพราะว่าน า, นายเพอกัหนันผู้หญ่บ้าน ป่าไม้จังหวัดป่าไม้เอเภอมากันหมดประมาณห้า้อยคนอย่างน้อยเราก็ร้อจนตุ่มเป็นผู้จัดการจะยังไงในพิธีบวชก็คงจะเป็นพวกเราการบวชป่าต้องต้องบวชผ้าก่อนต่วพิธีบวชก่อนเออ อาจารเดีย์ก็ต้องเตรียมสวดซ้อมไว้สวดผ้าเอาผ้ามางวางไว้มีสองลูกเหมือนกับบวชพระมีสองลูกก็จับผ้าก่อนเราเอาผ้าก่อนเราจับก่นเรชิ่นนั่งหันหน้าใส่กันส่วนเราทำไมพันเต อ, อะไรสวดไปบวชเปิดพระ สังสวดยติติสามรอบอย่าให้นานสวดสามรอบเติติสามรอบตั้งนะโมขึ้นลาวก็สวดเจติติสามรอบไม่ต้องว่าไม่ต้องว่ า, ไ ม, วาไม่ต้องถามสอบถามไม่ต้องว่าคุณทางกันโตกิ่หลายโฉไม่ต้องว่าต่างวิธีสเฉลยก็ ผมจะได้ประกาศว่าศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนถ้าผืนนี้เป็นผ้ารงชัยพระนังนถ้าสีนี้เอาไปทำอะไรไม่ได้มีดฟันไม่ได้ไปทำอะไรไม่ได้ต้าได้แต่เเาเผาไฟเผาไฟแล้วชิดเท่าไปฉาบกติสุดท้ายคือเช่นนั้นไปเช็ดเท่าเช็ดกาไม่ได้ พลันผ้าผืนนี้ต้องศักดิ์สิทธิ์ไปอยู่ต้นไม้ใครตัดต้นไม้ไม่ได้ผมเคยบวชภูหลงแล้วมีคนไปตัดไปตัดต้นไม้ที่ผ้าห่อไว้เขาเกิดการเจ็บป่วยไม่หงไหยแล้วก็คิดเรื่องเขาทำลายต้นไม้ที่ห่มพุกีวอลเขาคิดเป็นประทบประเทือนในจิตใจเขาเขาลึงเ ม, มืองขอโทษผมเขาล่ำบาบ แล้ว บ, บาปมาขอโทษเราเราหวังแล้วก็มีบาปมีบุญจริงๆนะมน่าจะใอ้หมดพิษหมดภัยก็ทำบุญเป็นคนดีแต่ที่ฐานใจจะไม่ทำอะไรให้ผิดสินผิดธรรมงไม่เป็นลายไม่เป็นอนันต์ติกรรมเป็นบาปในหัวใจสำนึกผิดก็ถือว่าดีแล้วอย่าไปทำอีกบัวคนต่อไป แล้วก็ก็ห ỏ ยหายไปบางทีมันกระทบกระทืนจิตใจเขานะานให้ทำท่าสวดสิ้ินกับอาจารย์ตุ้มนี้ใครในวัดเราเนี่ยแหละไปบวชเพราะวันที่แปดบวชป่าวันที่แปดมันเอาทุกอย่างธรรมชาติให้มันหลงเหลือดูสีผลทำลายธรรมชาติมันท่วมกูเทปเดีวเนี่ย ถ้าวัดเราถ้าแถวนี้ถ้าแถวเนี้ภาคอีสานเนี่ยไปลงไปสู่อี ก, กยิ่งใหญ่แค่กรุงเทพไม่มีที่อยู่หรอกนี่ถางเนี่ก็ลงสู่แม่มขมโขงแล้วนี่ขอนแก่นที่ตำรวจขอนแก่นเน่ยน้ําเพียงคอเนี่ยทุ่งนาเนี่ยก็เอานาเสียหายหมดเลยเดี๋ยวเนี่งท่วมอยู่อ่ะวันนี้ก็ อะลังสมะสัมปุทโธภะคะวาพุทังภะคะวันตังอะพิวาเทมิสวาขาโตภะคะวะตาละโมธรรมระมะสา สุปฏิปันโนภะควะโตสาวก a สังโกสังฆนมะ